พระธรรมเทศนาแผ่นที่สองลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่14ทธันวาคม2556มีชื่อเรื่องว่าอย่าทําไม่ดีในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อ้าวขณัตาญาิโยมลูกหลานอยู่ในความสงบ อย่าไปคุยกันภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธจะดีกว่าเพราะพวกเราคุยกันอยู่ในบ้านจนพะลังแล้วด่าขามวงสงเสงด่าลูกด่าล้านด่าหมูด่าหม า, มากาไก่อยู่ในบ้านมาในวัดยังมาหาคุยกันอีกมานั่งเหตุไหมครูบาอาจารย์ทั้งเยอะแยะท่านนั่งจัดอาหารท่านไม่เห็นคุยกันพวกเราก็มานั่งไอ้หลวงปู่ท่านนอนอยู่นั่นนะ่เดี๋ยวท่านจะหนวกหูท่านนะ พวกเราให้ภาวนาพุโทโธพุธโทโธนะเป็นบุญเป็นกุศลลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมแล้วก็เห็นนะักเรียนอำเภอบัวขาวนะลูกหลานนะวันนี้ให้เดี๋ยวครูบาท่านจะแจกงานให้ทำถ้ามาต่วัดต้องมีเราว่างั้นถ้ามากินแต่ส้มตาของยายม่วงมันก็ได้กินแต่ส้มตำนะนแต่มาทำงานก็ต้องในทำงานออกกินส้มตาเสร็จแล้วก็ ไ, ไปหาทางาน ไปแจกยายเฟืองบ้างเปลืองปูนั่งบ้างแล้วก็ไปทำความสะอาดบ้างหญ้าอะไรหญ้ากระทับกระแตบนะหญ้าไม่จะรลงจะราบเนละ่ภมันเวล า, าไปมันปักคนนะ่ไปเคลียร์แล้วก็ไปเก็บของไหนที่มันไม่สะอาดเบลิเวนี้ห้องน้ำตรงไหนที่มันไม่สะอาดลูกหลานสวม ถุงพลาะติกใสมือเสร็จเรียบร้อยเอายางลัดแล้วกับจับผ้าพวกกระดงกระดาษใส่ถุงดำถุงถุงดำเราก็มีอยู่แล้วนะให้ทำความสะอาดเนี่ยแหละต่อไปลูกหลานจะเกิดมาพบนาศาสตรหน้าไหนสวยงามเหลืองอร่ามไปหมดเลยทีนี้เพราะทำความสะอาดใช่ไหมละ่ะถ้าไปทิศในปิตยโยนทิ้งหมดึงปืงปังหมดึงปืงปังสกรปรกรกหลงหลังไปหมดเกิดมาพบนาชาสติหน้าก็ขี้ายขี้เหร หน้าบูดหน้าเบี้ยวไปลูกหลานต้องการไม่อย่างนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นมาทําบุญนะข่าวนี้นะมาทําบุญกับหลวงปู่เป็นบุญเป็นกุศลนะลูกหลานนะ้าเนเราหลวงพ่อว่างานในวัดของเราขณะนี้ผู้ใดอยู่ในละแวกนี้ถ้ามีรถอย่างมาจังหันอย่างนี้ก็ใส่ฟางเออฟางปูนั่งใส่ด้าหลังรถมาด้วยเออตอนกลางวันก็ไปใส่ใส่แล้วก็ใส่เชือกรัด แล้วก็มาจังหันมาถึงที่นี่นเกียรเกียรเกียฟางลงไปเป็นบุญเป็นกุศลนะลูกหลานนะใครมานั่งฟางของเราก็เป็นบุญกับกุศลกับคนผู้นั้นเพราะนั้นอยากจะให้พวกเราใส่ใจฟางปูนั่งเพราะมันมีหญ้า ก, กระแทบติดผ้าแล้วก็หญ้าหญ้าไม่จะลาบพอไปเดินไปนั่งนะ่อยมันก็ปักแข่งปักขาลูกหลานยิงเป็นไทยกรุงเทพอีกต่างหากฮะหรือคนต่างจังหวัดมามานั่ง พวกลูกหลานทั้งหลายนะนี่หลวงพ่อใส่ใจอยู่เรื่องฟางปูนั่งควรจะให้ทั่วถึงและก็พร้อมกันเสือเออเสือไม่ใช่เสื้อราคาแพงหรอกเสือราหางทูกทนะ่ยเออเสื้อกบเออพวกกบพวกผืนพวกใบเตยอะไรก็ไรใดถ้าหากว่าผู้ใดเห็นที่ไหนก็ซื้อซื้อมาเออมากระโมให้วัดป่าวิเวกพัฒนารามนี่แหละเอามาปูนั่งเออสำหรับแขกคนมาในงาน หลวงปู่เออเราก็เป็นบุญเป็นกุศลเสือเอามานะั้นรับไมอั้นนะฟางรับไมอั้นเสือปูนั่งรับไมอั้นแล้วก็ประกาศให้สมภารวัดต่างๆขอบอกต่อๆกันไปด้วยผ้าไตรอยู่ในวัดหรือผ้าม้าอยู่ในวัดเราทิ้งไว้ไม่ได้ใช้และถ้าเป็นไปได้น ะ, ะทางวัดหลวงปู่ของเราขณะนี้เราก็ไม่อยากจะซื้อ ผ้าไตผ้าไม้ถ้าหาว่าเป็นไปได้ก็พวกเราเอามาแล้วก็มาหอ่อแล้วก็ถาวายพระสงฆ์ที่มาร่วมในงานพระสงฆ์ที่จะมาร่วมในงานอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3000รูปถึง5ถึง6พันเราคิดคิ ด, คดไว้กันกิดกันไว้อย่างนั้นเพราะนั้นวัดต่างๆที่หาว่าผ้าไตหรือผ้าไม้มันทิ้งไว้เฉยๆที่จะแบ่งมาทำบุญกับองค์หลงปูกก็ได้นะผาเนนรูป ล, ลาน ตอถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าก็เหมือนกันอยากจะทําบุญให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้กันเอามาเอามาได้น ะ, ะแล้วก็พร้อมกันอาหารครัวถ้าคนมาก เ, เราก็ต้องจําเป็นอย่างวันนี้หลวงพ่อก็ได้สั่งโรงครัวมาจากวัดของหลวงพ่อเหมือนกันให้มาตั้งโรงครัวเลี้ยงคนงานเลี้ยงพี่น้องประชาชนที่มาในงานของหลวงปู่เพราะนั้นอาหารครัว ถ้าว่าลูกหลานผู้ใดอยากจะทำบุญพวกข้าวสารอาหารแห้งพวกผักพวกพักแฟนแตงกวาก็เอาเข้ามาได้นะลูกหลานนะอันนี้คือประกาศผู้ที่อยากได้บุญนะถ้าหากว่าผู้ไม่อยากได้บุญโอ้ยหลวงพ่อเองขี้ข อ, เ, อ, อเราไม่ขอเรา อ, อันนี้เราแจ้งข่าวให้ทราบว่าผู้ใดอยากจะได้บุญในจุดนี้เอาเข้ามาได้ ถ้าหากว่าใครไม่อยากจะได้บุญให้นี้ห่างๆอย่ามาใกล้แถวนี้เข้าใจไหมออย่ามาใกล้แถวนี้ถ้าใครไม่อยากได้บุญถ้าใครอยากได้บุญเอามาลูกหลานหรือหลวงพ่อเป็นตัวหลักนะประกาศให้ลูกหลานมาร่วมทําบุญแสดงออกซึ่งน้ําใจเพื่อเราทํามาแล้วก็ไม่เห็นจะทุกข์จะจนที่ไหนมันจนที่ไหนถ้ามันจนเราบอกหลวงพ่อมาผมเอามรกอมาถวายวัดป่าวิเวกวัฒนาราม ช่วยลงงานลงปู่จามมักละกอผมห้าหนวยผมมาผมเลยจีบหายกระทั่งบันนี้ล่มจมเลยลงพ่อก็อยากจะได้ยินเหมือนกันนะมีแต่พวกเรามาทำบุญแล้วโอ้เออมีแต่โยดแต่ยิงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นขอฝากกับลูกหลานทุกขูทุกคนเนะน้อนี่ละพระสงฆ์เห็นไหมอันนี้กลุ่มหนึ่งนะเน้อพรา น, นถึงสองสามกลุ่มนอกนี่อีกอที่พระสงฆ์เข้ามาฉันในงานของหลวงปู่ มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังเหลืออีก20กว่าวันวันนี้เป็นวันที่14วันเสาร์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2556แล้วก็วันพระราชทานเพลิงสรีละของหลวงปู่ก็เป็นวันที่5อ่าวันที่5มกราคมพุทธศักราช2557ยังเหลืออีก20กว่าวัน เระนั้นขอให้คณะทัตธาญ า, าตโยมหมู่เหล่าทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโรงเรียนนักเรียนบัวขาวเนี่ยแสดงความจำนงเข้ามาแล้วหลวงพ่อเห็นแล้วก็ยินดีกับคณะครูบายจานคณะสิทธิ์ลูกหลา น, นให้ช่วยกันทําความสะอาดอย่างน้อยกันเนี่ยมาแจกไม้จา่ายมาแจกฟางให้คนนั่งก็เป็นบุญเป็นกุศลจากนั้นก็เก็บขยะตรงไหนที่ไม่สะอาดแขกบ้านแขกเมือง ที่จะมาดูวัดว่าปัดป่าวิเศษวัฒนารามของเรามาเห็นแล้วก็มีแต่เห็นสกงรกรกกรุงรังไปหมดก็ไปน่าดูเหมือนกันนะเพราะนั้นขอให้พวกเราพระทัศทายญาติโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าใครมีหน้าที่อะไรขอให้ช่วยๆกันดูเอ่ออย่าให้ขาดตกบกพ่องส่วนหลวงพ่อเนี่ยประกาศแล้วบอกอีกหลวงพ่อคือในหน้าที่อย่างนี้แหละออบอกลูกบอกหลานซักชวนพี่น้องประชาชน ลูกหลานทุกคู่ทุกคนให้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลให้ทําเนอแล้วก็จะเป็นขี่ลักขี่ขโมยเนออันนี้ขอบอกกล่าวกันไว้หลวงพ่อเหตุนคนมามากบางทีก็ไปเห็นสิ่งล่อแหลมก็ไปขโมยของวัดขโมยของคนนั่นคนนี้เป็นบาปนะลูกหลานคณะสัตว์ไทยอย่าโยมอย่าทําถ้าหวาว่าเราไปทําไปขโมย ไปขโมยสิ่งของในวัดนี่วัดนี้นะเป็นวัดที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ท่านมาบําเพ็ญภาวนาอยู่นี่เป็นเวนลาเท่าไหร่สามสี่สปีท่านมาภาวนาไหว้พระสวดมนต์อยู่ตรงตรงนี้เพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใครจะทําความชั่วนิดหน่อยเป็นบาปมากถ้าใครมาทมําบุญในวัดนี้นิดหน่อยก็เป็นบุญกุศลมหาศาลเพราะเททหตุไร เ่เพราะว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีพระบรมสารีริกธาตุและก็มีพระธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระธาตุพระหันจากนั้นองค์หลวงตาท่านศรีละขององค์หลวงตาหลวงปู่ของเราก็นอนเนิ่งอยู่ที่นี่เพราะนั้นพวกเราให้มามาคราวนี้ก็มาเพื่ อ, อ, อร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลจะจัดการศรีละของหลวงปู่ของเราที่รักเคารพของเราทุกคน ให้ไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นสิ่งไหนที่มันมิดไม่ดีนะสิ่งที่จะหายยะคือวความชั่วเสียหายขโมยโพยโจนคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีไม่ควรจะมีในสถานที่แห่งนี้นะตรวงพ่อขอฝากไว้กับคณะสัทตยาดญาติโ ย, ย, ยมลูกหลานทุกคนพระเนรนทุกรูปให้คิดดีทดําดีพูดดเีเราจะไปทําที่อื่นอันนั้นเป็นเรื่องอื่นแต่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ หลวงพ่อขอบิณธบาศขอนะกลับพระน่าศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะให้เป็นให้คิดอย่างที่หลวงพ่อคิดนะ่ยจะเป็นบุญกุศลติดภพติดชาติไปนานเท่านานถ้าเรามาทําความชั่วชาติเสียหายในตรงนี้แหละความชั่วตรงนี้จะติดพพติดชาติแล้วพอเราก็ติดใจไปนานอีกนะลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมนะออพอเรารา ล, ลึกขึ้นมาได้โอ้โตายเราไปเห็นโทรศัพท์เขาตก อยู่ที่วัดหลวงปู่จามแล้วก็โมยของเขาไปเอามาใช่เนี่เออเราก็คิดขึ้นมาเวลาเราก็แกล้งใจอนั่นไม่น่าจะทํำนะเออเราช่วงนั้นเราก็ไม่น่าจะทํำนะมันติดใจไปนานนะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถา้าพวกเราทําความชั่วเสียหายขึ้นนายภายในวัดนี่มันจะติดจิตติดใจของพวกเราไปนานเพราะฉะนั้นขอหลวงพ่อเองขอย้าเตือนลูกหลานทุกคนนะ้าพระเนนทุกโรคนะ้า ทำอะไรทำด้วยเจตนาดีหวังดีเพื่อหวังบุญกุศลเมื่อทำงานหลวงปู่เสร็จแล้วเลยวันที่ห้าที่หม ก, กราไปแล้วเนะเพราออกไปไปภาวนาที่ไหนไปอยู่ที่ไหนเราคิดย้อนหลังโอ้ภาคภูมิใจเราได้ถูกเทกุงามความดีเราได้มาช่วยองค์หลวงปู่ของเราเต็มอกเต็มใจจริงๆนะบุญกุศลเราละลึกขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็สบายใจมีความสุขใจ เพราะเหตุไรเพราะทเรามาสร้างคุณงามความดีเพราะฉนั้นขอฝากไว้กับคณะสัทธทาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเน่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าฟางเฟืองฟา ง, ฟางเนี่ยปูนั่งเนี่ยรับใหม่อั่นสองเสือปูนั่งสำหรับพี่น้องประชาชนใครเห็นที่ไหนเอามาไว้ที่วัดป่าวิเวกวัฒนารามเน่เอามาเลยรับใหม่อั่นและก็ผ้าไตร ผู้ใดจะจะมาทําบุญผ่านไต้พะไม้ขาวนะพวกเราจะได้มาห่อแล้วก็ถวายพระสงฆ์ที่มาร่วมงานอันนี้ก็รับใหม่อันเหมือนกันแล้วก็อาหารครัวอาหารแห้งข้าวสารอาหารแห้งเ อ, เอาเข้ามาในครัวเอาเข้ามาเลยนะลูกหลานผู้ใดจะเห็นผักเห็นผักอยู่ที่ไหนปลูกผักที่ไหนแต่ต้องปลอดสารพิษนะลูกหลานนะตอนนี้ก็ต้องระวังอีกเหมือนกันเพราะเราจะ ท, ทําบุญจริงไหนนะเราเลือกให้นะดีที่สุด มาทำบุญนะมันถึงเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่ว่าตัวเองไม่กินไม่ใช้แล้วเอามาโยนมาให้วัดนะ่ยอันนั้นทั้งที่จะเป็นบุญมันกลับเป็นบาปอีกต่างหากนะเป็นบาปอากุศล อ, อยนของไม่ไดีเข้ามาสู่วัดวาศาสนาให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ได้กินเป็นบาปเป็นอกุศลสําหรับตัวเองติดภพติดชาติเป็นนานเท่านานอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นก่อนที่จะทํำสิ่งไหนก็ตามต้องคิดให้ดีเมื่อคิดดีแล้วก็ทําดี เมื่อทำาเป็นบุญเป็นกุศลติดจิตติดใจไปนานนะลูกหลานนในโรงพ่อในฐานะหลวงปู่หลวงตาบอกกล่าวให้พี่น้องจัทธายาติโยมลูกหลานให้คิดสร้างบุญสร้างกุศลจะได้จะหาได้ที่ไหนองค์หลวงปู่บวชมาตั้งแต่เป็นหนุ่มไม่เคยแต่งงานเลยอายุ29ปีบวชมาเท่าไหร่อายุถึงร้อยกว่าปีพรรษาของท่านเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นอย่างหลวงปู่ไม่ใช่ของหาได้ง่ายเมื น, นั้นลูกหลานได้มาเสียสละได้มาทําบุญกับหลวงปู่เนี่ยถ้าไปว่าบุญติดภบติดชาติแล้วจะว่าอย่างไรงหลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นออกหลวงพ่อพูดพูดออกมาจากใจจริงแนะนําออกมาจากใจจริงให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังนะ เ, เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคิดดูสิว่าหลวงพ่อพูดไปนี่พวกไปแบบ เอออะไรเวอร์ไปหรือเปล่าเออเรว่อโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่าฮะแบบโลกโลกเขาแต่หลวงพ่อไม่นะหลวงพ่อพูดออกมาจากใจจริงหลวงพ่อก็ทำอีกอย่างที่หลวงพ่อพูดอีกต่างหากนะเพราะนั้นอยากจะชักชวนลูกหลานพี่น้องประชาชนให้ช่วยช่วยกันคิดช่วยชวยกันทำผู้ใดอยู่ในสถานะไหนก็ทำดีที่สุดในฐานะ น, น, นั้นนะ อตอนนี้ไปพระสงฆ์จานุมุทนาให้พอนี่ท่นีเน่นาการัายาโฉมลูกหลานนะ